หากเท้าสกกะจะพึงประทานพรแก่เราไซาขอเราพึงได้พร น, นั้นเถิดเราพึงเป็นอภิปารกาศเสนาบดีได้ร่วมอภิรมกับนางอุ ม, มาทันตีหนึ่งหรือสองราตรีหลังจากนั้นพึงเป็นพระเจ้ากรุงศรีพีอ e. ี